เจ็ดประมมหาปัญหาสูตรว่าด้วยปัญหาใหญ่สูตรที่หนึ่งสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาทบปิณิกะเศรษฐีเขครุงสาวัตถีครั้นในเวลาเช้าภิกษุหลายรูปครองอันตรวาสศกถือบาทจีวรก็ไปบิณฑบาตในครุงสาวัตถีได้มีความคิดอย่างนี้ว่า การเที่ยวไปบินทบาทในกรุงสาวัตถียังเช้านักทางที่ดีเราทั้งหลายควรจะเข้าไปยังอารามของพวกอัญญะเดรธีปริภาชกครั้งนั้นแหละภิกษุเหล่านั้นจึงเข้าไปยังอารามของพวกอัญญะเดรธีปริภาชกได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งนที่สมควรพวกอัญญะเดรธีได้กล่าวกับภิกษุเหล่านั้นดังนี้ว่า ผู้มีอายุทั้งหลายพระสมณะโคดมแสดงธรรมแก่สาวกทั้งหลายอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายมาเถิดเธอทั้งหลายจงรู้แจ้งธรรมทั้งปวงเถิดครั้นรู้แจ้งธรรมทั้งปวงแล้วจงอยู่เถิดผู้มีอายุทั้งหลายแม้แต่เราทั้งหลายก็แสดงธรรมแก่สาวกทั้งหลายอย่างนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลายมาเถิดท่านทั้งหลายจงรู้แจ้งธรรมทั้งปวงเถิด ครั้นรู้แจ้งทำทั้งปวงแล้วจงอยู่เถิดผู้มีอายุทั้งหลายในธรรมเทศนาหรืออนุสาสนีนี้คือธรรมเทศนาของพระสมณโคดมกับธรรมเทศนาของพวกเราหรืออนุสาสนีของพระสมณะโคดมกับอนุสาสนีของพวกเราจะผิดแผกแตกต่างกันอย่างไรภิกษุเหล่านั้นไม่ยินดีไม่คัดคาา้านภาษิตของอัญญะเดรธิปริภาชคเหล่านั้น ลูกจากอาสนะหลีกไปด้วยคิดว่าเราทั้งหลายจะรู้ชัดเนื้อความแห่งภาษิตนี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคภิกษุเหล่านั้นครั้นเที่ยวไปบินทบาทในครุงสาวัตถีกลับจากบินทบาทภายหลังฉันอาหารเสร็จแล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อเช้านี้ข้าพระองค์ทั้งหลายครองอันตรวาสศกถือบาทจีวรเข้าไปบินทบาทในครองสาวัตถีได้มีความคิดอย่างนี้ว่าการเที่ยวไปบินทบาทในกรองสาวัตถีอย่างเช้านักทางที่ดีเราทั้งหลายควรจะเข้าไปยังอารามของพวกอัญญะเดรธีปริพาชกครั้นแล้วข้าพระองค์ทั้งหลายได้เข้าไปยังอารามของพวกอัญญาเดรธีปริพาชก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 กับอนุสาสนีของพวกเราจะผิดแพกแตกต่างกันอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญครั้งนั้นข้าพระองค์ทั้งหลายไม่ยินดีไม่คัดค้านพาสิทธิของอัญญาเดรธิปริภาชกเหล่านั้นลุกจากอาสนะหลีไปด้วยคิดว่าเราทั้งหลายจะรู้ชัดเนื้อความแห่งพาสิทินี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย พวกอัญญะเดรธิปริภาชกมีวาทะอย่างนี้เธอทั้งหลายควรถามอย่างนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลายปัญหาหนึ่งอุเทศหนึ่งวยากนหนึ่งปัญหาสองอุเทศสองวยากนสองปัญหาสอุเทศสาวยากรณ์3ปัญหาสอุเทศสีวยากรณ์4ปัญหาหอุเทศห้วยากนห้า ปัญหา6อุเทศหกวายกรหกปัญหา7อุเทศ7จ็วายกรณ์7ปัญหา8อุเทศ8ปดวายกรณป8ปัญหา9ก้าอุเทศ9ก้าวายกรณ์9ปัญหา10อุเทศ10บวายกร์10เป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายพวกอัญญะเดรธิปริภาชคถูกถามอย่างนี้แล้วจะไม่สามารถตอบให้บริบูรณ์ได้ อยากถึงความลำบากอย่างยิ่งข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะพวกอัญญะเดรธีปริภาชกถูกถามปัญหาอันมิใช่วิสัยภิกษุทั้งหลายในโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์เรายังไม่เห็นบุคคลที่จะยังจิตให้ยินดีได้ด้วยการตอบปัญหาเหล่านี้เว้นจากตถาคตหรือสาวกของตถาคต หรือผู้ที่ฟังจากสาวกของตถาคตนี้เรากล่าวไว้แล้วเช่นนี้แล้วว่าปัญหาหนึ่งอุเทศหนึ่งวากรหนึ่งเพราะอาศัยอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นภิกษุทั้งหลายภิกษุเมื่อเบื่อหน่ายโดยชอบคลายกำหนัดโดยชอบหลุดพ้นโดยชอบมีปกติเห็นที่สุดโดยชอบบรรลุ ป, ประโยชน์โดยชอบในธรรมหนึ่งประการแล้ว จึงเป็นผู้ทำที่สุดแห่งทุกได้ในปัจจุบันทำหนึ่งประการคืออะไรคือสัตว์ทั้งปวงดำรงอยู่ได้ด้วยอาหารภิกษุเมื่อเบื่อหนายโดยชอบคลายกำหนัดโดยชอบหลุดพ้นโดยชอบมีปกติเห็นที่สุดโดยชอบบรรลุประโยชน์โดยชอบในธทำหนึ่งประการนี้แล้วจึงเป็นผู้ทำที่สุดแห่งทุก์ได้ในปัจจุบันเพราะอาศัยคำที่เรากล่าวไว้ว่า ปัญหาหนึ่งอุเทศหนึ่งวากรหนึ่งเราจึงกล่าวไวเช่นนั้นเรากล่าวไว้แล้วเช่นนี้แล้วว่าปัญหาสองอุเทศสองวากรสองเพราะอาศัยอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นภิกษุทั้งหลายภิกษุเมื่อเบื่อหน่ายโดยชอบคลายกำนัดโดยชอบหลุดพ้นโดยชอบมีปกติเห็นที่สุดโดยชอบบรรลุประโยชน์โดยชอบในธรรมสองประการแล้ว จึงเป็นผู้ทำที่สุดแห่งทุกได้ในปัจจุบันทรรมสองประการคืออะไรคือนามและรูปภิกษุเมื่อเบื่อหน่ายโดยชอบคลายกำหนัดโดยชอบหลุดพ้นโดยชอบมีปกติเห็นที่สุดโดยชอบบรรลุประโยชน์โดยชอบในธรรมสองประการนี้แล้วจึงเป็นผู้ทำที่สุดแห่งทุกได้ในปัจจุบันเพราะอาศัยคำที่เรากล่าวไว้ว่าปัญหาสองอุเทศ ส, สองวยากรสอง เราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรากล่าวไว้แล้วเช่นนี้แล้วว่าปัญหาสาอุเทศสไวยากาณส3เพราะอาศัยอะไรเราจึงกล่าวไวเช่นนั้นภิกษุทั้งหลายภิกษุเมื่อเบื่อหน่ายโดยชอบคลายกำหนัดโดยชอบหลุดพ้นโดยชอบมีปกติเห็นที่สุดโดยชอบบรรลุประโยชน์โดยชอบในธรรม3มประการแล้วจึงเป็นผู้ทำที่สุดแห่งทุกได้ในปัจจุบัน ทำสามประการคืออะไรคือเวทนาสาภิกษุเมื่อเบื่อหน่ายโดยชอบคลายกำหนัดโดยชอบหลุดพ้นโดยชอบมีปกติเห็นที่สุดโดยชอบบรรลุประโยชน์โดยชอบในทำสามประการนี้แล้วจึงเป็นผู้ทำที่สุดแห่งทุกได้ในปัจจุบันเพราะอาศัยคำที่เรากล่าวไว้ว่าปัญหาสาอุเทศสามวากรสเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้น เรากล่าวไว้แล้วเช่นนี้แล้วว่าปัญหาสี่อุเทศสี่วยากรสี่เพราะอาศัยอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นภิกษุทั้งหลายภิกษุเมื่อเบื่อหน่ายโดยชอบคลายกำหนัดโดยชอบหลุดพ้นโดยชอบมีปกติเห็นที่สุดโดยชอบบรรลุประโยชน์โดยชอบในธรรมสี่ประการแล้วจึงเป็นผู้ทำที่สุดแห่งทุก์ได้ในปัจจุบันธรรมสี่ประการคืออะไร คืออาหารสี่ภิกษุเมื่อเบื่อหน่ายโดยชอบคลายกำนัดโดยชอบหลุดพ้นโดยชอบมีปกติเห็นที่สุดโดยชอบบรรลุ ป, ประโยชน์โดยชอบในธรรมสีประการนี้แล้วจึงเป็นผู้ทำที่สุดแห่งทุกได้ในปัจจุบันเพราะอาศัยคำที่เรากล่าวไว้ว่าปัญหาสี่อุเทศสี่วายกรสี่เราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรากล่าวไวแล้วเช่นนี้แล้วว่าปัญหาห้า อุเทศห้าวายกร5เพราะอาศัยอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นภิกษุทั้งหลายภิกษุเมื่อเบื่อหน่ายโดยชอบคลายกำหนัดโดยชอบหลุดพ้นโดยชอบมีปกติเห็นที่สุดโดยชอบบรรลุ ป, ประโยชน์โดยชอบในธรรมประการแล้วจึงเป็นผู้ทำที่สุดแห่งทุกได้ในปัจจุบันธรรมประการคืออะไรคืออุปาทานขันหภิกษุเมื่อเบื่อหน่ายโดยชอบ คลายกำหนัดโดยชอบหลุดพ้นโดยชอบมีปกติเห็นที่สุดโดยชอบบรรลุประโยชน์โดยชอบในธรรมหประการนี้แล้วจึงเป็นผู้ทำที่สุดแห่งทุกได้ในปัจจุบันเพราะอาศัยคำที่เรากล่าวไว้ว่าปัญหาหอุเทศห้วยากรณ์5เราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรากล่าวไว้แล้วเช่นนี้แล ว, ว่าปัญหา6อุเทศหกวยากรณหก เพราะอาศัยอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นภิกษุทั้งหลายภิกษุเมื่อเบื่อหน่ายโดยชอบคลายกำหนัดโดยชอบหลุดพ้นโดยชอบมีปกติเห็นที่สุดโดยชอบบรรลุประโยชน์โดยชอบในธรรมหกประการแล้วจึงเป็นผู้ทำที่สุดแห่งทุกได้ในปัจจุบันธรรมหกประการคืออะไรคืออายตนะภายใน6ภิกษุเมื่อเบื่อหน่ายโดยชอบคลายกำหนัดโดยชอบ หลุดพ้นโดยชอบมีปกติเห็นที่สุดโดยชอบบรรลุประโยชน์โดยชอบในธรรมหประการนี้แล้วจึงเป็นผู้ทำที่สุดแห่งทุกได้ในปัจจุบันเพราะอาศัยคำที่เรากล่าวไว้ว่าปัญหา6อุเทศหวยยกร์6เราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรากล่าวไว้แล้วเช่นนี้แล้วว่าปัญหา7อุเทศ7วยยกรณ์7เพราะอาศัยอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้น ภิกษุทั้งหลายภิกษุเมื่อเบื่อหน่ายโดยชอบคลายกำหนัดโดยชอบหลุดพ้นโดยชอบมีปกติเห็นที่สุดโดยชอบบรรลุประโยชน์โดยชอบในธรรมเจประการแล้วจึงเป็นผู้ทำที่สุดแห่งทุกได้ในปัจจุบันธรรมเประการคืออะไรคือวิญญาณทิฏฐิเจภิกษุเมื่อเบื่อหน่ายโดยชอบคลายกำหนัดโดยชอบหลุดพ้นโดยชอบมีปกติเห็นที่สุดโดยชอบ บรรลุประโยชน์โดยชอบในธรรม7ประการนี้แล้วจึงเป็นผู้ทำที่สุดแห่งทุกได้ในปัจจุบันเพราะอาศัยคําที่เรากล่าวไว้ว่าปัญหาเจอุเทศ7จ็ดากรณ์7เราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นคําที่เรากล่าวไว้แล้วเช่นนี้แล ว, ว่าปัญหา8อุเทศ8ปดวากรณ์8เพราะอาศัยอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นภิกษุทั้งหลายภิกษุเมื่อเบื่อน า, นายโดยชอบ คลายกำหนัดโดยชอบหลุดพ้นโดยชอบมีปกติเห็นที่สุดโดยชอบบรรลุประโยชน์โดยชอบในทำแปดประการแล้วจึงเป็นผู้ทำที่สุดแห่งทุกได้ในปัจจุบันทำแปดประการคืออะไรคือโลกธรรมแปดภิกษุเมื่อเบื่อหน่ายโดยชอบคลายกำหนัดโดยชอบหลุดพ้นโดยชอบมีปกติเห็นที่สุดโดยชอบบรรลุประโยชน์โดยชอบในทำแปประการนี้แล้ว จึงเป็นผู้ทำที่สุดแห่งทุกได้ในปัจจุบันเพราะอาศัยคำที่เรากล่าวว่าปัญหา8อุเทศ8ปวยากรณ์8เราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรากล่าวไว้แล้วเช่นนี้แหลว่าปัญหา9อุเทศ9กวยากรณก9เพราะอาศัยอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นภิกษุทั้งหลายภิกษุเมื่อเบื่อนายโดยชอบคลายกำนัดโดยชอบหลุดพ้นโดยชอบ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 บรรลุประโยชน์โดยชอบในธรรม10ประการแล้วจึงเป็นผู้ทำที่สุดแห่งทุกได้ในปัจจุบันธรรม10ประการคืออะไรคืออกุศลกรรมบท10ประการภิกษุเมื่อเบื่อหน่ายโดยชอบคลายกำหนัดโดยชอบหลุดพ้นโดยชอบมีปกติเห็นที่สุดโดยชอบบรรลุประโยชน์โดยชอบในธรรม1ิประการนี้แล้วจึงเป็นผู้ทำที่สุดแห่งทุกได้ในปัจจุบัน เพราะอาศัยคำที่เรากล่าวไว้ว่าปัญหา1ิบอุเทศ1ิวยายกร์10เราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นประทมมหาปัญหาสูตรที่7จบ 8. ทุติยมหาปัญหาสูตร ว่าด้วยปัญหาใหญ่สูตรที่สองสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณเวฬุวันใกล้กระชังคละนิคมครั้งนั้นอุบาสกชาวกระชังคละเป็นอันมากเข้าไปหาภิกษุณีชาวกระชังคละถึงที่อยู่ไหว้แล้วนั่งณที่สมควรได้เรียนถามภิกษุณีชาวเมืองกระชังคละดังนี้ว่าข้าแต่แม่เจ้า พระดำรัสที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ในมหาปัญหาสูตรทั้งหลายว่าปัญหา1อุเทศ1นวยากรณ์1ปัญหาสองอุเทศสองวยากรณ์2ปัญหา3อุเทศ3าวยากรณ์3ปัญหา4อุเทศ4วีวยากรณ์4ปัญหาหอุเทศห้วยากรณ์5ปัญหา6อุเทศ6กวยากรณ์6ปัญหา7 อุเทศ7จ็วายกรณ์7ปัญหา8อุเทศ8ปดวายกรณป8ปัญหา9อุเทศ9ก้าวายกรณ์9ปัญหาส0บอุเทศส0บวายกร์10ข้าแต่แม่เจ้าเนื้อความแห่งพระดำรัสที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้โดยย่อนี้จะพึงเห็นได้โดยพิสดารอย่างไรหนอพิสุนีชาวกระชังคละตอบว่าผู้มีอายุทั้งหลาย พระดำรัสนี้เราได้สดับรับมาเฉพาะพระภักของพระผู้มีพระภาคก็หามิได้เราได้สดับรับมาเฉพาะหน้าของภิกษุทั้งหลายผู้ได้อบรมใจก็หามิได้แต่ว่าเนื้อความแห่งพระดำรัสนี้ปรากฏแก่เราอย่างไรท่านทั้งหลายก็จงฟังเนื้อความแห่งพระดำรนั้นอย่างนั้นจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวผู้อุบาสกชาวเมืองกระชังคละ รับคําของภิกษุณีชาวเมืองกระชังคละแล้วภิกษุณีชาวเมืองกระชังคละเรื่กล่าวดังนี้ว่าพระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วเช่นนี้แล้วว่าปัญหาหนึ่งอุเทศหนึ่งวากรหนึ่งเพราะทรงอาศัยอะไรพระองค์จึงตรัสไว้เช่นนั้นผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุเมื่อเบื่อนายโดยชอบคลายกําหนัดโดยชอบหลุดพ้นโดยชอบมีปกติเห็นที่สุดโดยชอบ บรรลุประโยชน์โดยชอบในธรรมหนึ่งประการแล้วจึงเป็นผู้ทำที่สุดแห่งทุกได้ในปัจจุบันธรรมหนึ่งประการคืออะไรคือสัตว์ทั้งปวงดำรงอยู่ได้ด้วยอาหารภิกษุเมื่อเบื่อหน่ายโดยชอบคลายกำหนัดโดยชอบหลุดพ้นโดยชอบมีปกติเห็นที่สุดโดยชอบบรรลุประโยชน์โดยชอบในธรรมหนึ่งประการนี้แล้วจึงเป็นผู้ทำที่สุดแห่งทุกได้ในปัจจุบัน พระทรงอาศัยพระธํารัตที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าปัญหาหนึ่งอุเทศหนึ่งวากรหนึ่งพระองค์จึงตรัสไว้เช่นนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วเช่นนี้แล้วว่าปัญหาสองอุเทศสองวากรสองพระทรงอาศัยอะไรพระองค์จึงตรัสไว้เช่นนั้นผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุเมื่อเบื่อหน่ายโดยชอบคลายกําหนัดโดยชอบหลุดพ้นโดยชอบ มีปกติเห็นที่สุดโดยชอบบรรลุประโยชน์โดยชอบในธรรมสองประการแล้วจึงเป็นผู้ทำที่สุดแห่งทุกได้ในปัจจุบันธรรมสองประการคืออะไรคือนามและรูปภิกษุเมื่อเบื่อหน่ายโดยชอบคลายกำหนัดโดยชอบหลุดพ้นโดยชอบมีปกติเห็นที่สุดโดยชอบบรรลุประโยชน์โดยชอบในธรรมสองประการ น, นี้แล้วจึงเป็นผู้ทำที่สุดแห่งทุกได้ในปัจจุบัน เพราะทรงอาศัยพระดำรัสที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าปัญหาสองอุเทสสองวายกรสองพระองค์จึงตรัสไว้เช่นนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วเช่นนี้แล้วว่าปัญหาสามอุเทสสามวายกรสามเพราะทรงอาศัยอะไรพระองค์จึงตรัสไว้เช่นนั้นผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุเมื่อเบื่อนหน่ายโดยชอบคลายกาหนัดโดยชอบหลุดพ้นโดยชอบ มีปกติเห็นที่สุดโดยชอบบรรลุประโยชน์โดยชอบในทำสามประการแล้วจึงเป็นผู้ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ในปัจจุบันทำสมประการคืออะไรคือเวทนา3ภิกษุเมื่อเบื่อหน่ายโดยชอบคลายกำหนัดโดยชอบหลุดพ้นโดยชอบบรรลุประโยชน์โดยชอบในทำสามประการนี้แล้วจึงเป็นผู้ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ในปัจจุบัน พระทรงอาศัยพระดารัสที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าปัญหาสาอุเทศสาวยากรณ์มพระองค์จึงตรัสไว้เช่นนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วเช่นนี้แล้วว่าปัญหาสอุเทศสี่วากรณ์่พระทรงอาศัยอะไรพระองค์จึงตรัสไว้เช่นนั้นผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุผู้มีจิตอันอบรมดีแล้วโดยชอบมีปกติเห็นที่สุดโดยชอบ บรรลุประโยชน์โดยชอบในธรรมสีประการแล้วจึงเป็นผู้ทำที่สุดแห่งทุกได้ในปัจจุบันธรรมสีประการคืออะไรคือสติปัฏฐานสีภิกษุผู้มีจิตอันอบรมดีแล้วโดยชอบมีปกติเห็นที่สุดโดยชอบบรรลุประโยชน์โดยชอบในธรรมสีประการนี้แล้วจึงเป็นผู้ทำที่สุดแห่งทุกได้ในปัจจุบันเพราะทรงอาศัยพระดารัสที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า ปัญหาสี่อุเทศสี่วายกรสี่พระองค์จึงตรัสไวเช่นนั้นพระผู้มีประภาคตรัสไวแล้วเช่นนี้แล้วว่าปัญหาห้าอุเทศห้าวากรณ์าเพราะทรงอาศัยอะไรพระองค์จึงตรัสไวเช่นนั้นผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุผู้มีจิตอันอบรมดีแล้วโดยชอบมีปกติเห็นที่สุดโดยชอบบรรลุประโยชน์โดยชอบในธรรมหประการแล้ว จึงเป็นผู้ทาที่สุดแห่งทุกได้ในปัจจุบันทำห้ประการคืออะไรคืออินทรีย์าละถึงทํา6ประการคืออะไรคือนิสรณิยธาตุหทำเ7ประการคืออะไรคือโพ่ชง7จ็ดทำแปประการคืออะไรคืออริยมรตมีองค์8ภิกษุผู้มีจิตอันอบรมดีแล้วโดยชอบมีปกติเห็นที่สุดโดยชอบ บรรลุประโยชน์โดยชอบในทำแปดประการนี้แล้วจึงเป็นผู้ทำที่สุดแห่งทุกได้ในปัจจุบันเพราะทรงอาศัยพระธํารัตที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าปัญหา8อุเทศ8ปวยากรณ์8พระองค์จึงตรัสไว้เช่นนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วเช่นนี้แล้วว่าปัญหา9อุเทศ9ก้าวิยกรณ์9เพราะทรงอาศัยอะไรพระองค์จึงตรัสไว้เช่นนั้น ผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุเมื่อเบื่อหน่ายโดยชอบคลายกำหนัดโดยชอบหลุดพ้นโดยชอบมีปกติเห็นที่สุดโดยชอบบรรลุประโยชน์โดยชอบในธรรมกาวประการแล้วจึงเป็นผู้ทำที่สุดแห่งทุกได้ในปัจจุบันธรรมกาวประการคืออะไรคือสัตวาวาส9ภิกษุเมื่อเบื่อหน่ายโดยชอบคลายกำหนัดโดยชอบหลุดพ้นโดยชอบมีปกติเห็นที่สุดโดยชอบ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 ผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุผู้มีจิตอันอบรมดีแล้วโดยชอบมีปกติเห็นที่สุดโดยชอบบรรลุประโยชน์โดยชอบในธรรมสิบประการแล้วจึงเป็นผู้ทำที่สุดแห่งทุกได้ในปัจจุบันธรรมสิบประการคืออะไรคือกุศลกรรมบท10ภิกษุผู้มีจิตอันอบรมดีแล้วโดยชอบมีปกติเห็นที่สุดโดยชอบบรรลุประโยชน์โดยชอบในธรรมสิบประการนี้แล้ว จึงเป็นผู้ทมที่สุดแห่งทุกได้ในปัจจุบันเพราะทรงอาศัยพระดํารัสที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าปัญหาสิบอุเทศส0บวายกร์10พระองค์จึงตรัสไว้เช่นนั้นผู้มีอายุทั้งหลายพระดํารัสที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ในมหาปัญหาทั้งหลายว่าปัญหาหนึ่งอุเทศหนึ่งวากรหนึ่งและถึงปัญหาสิบอุเทศสิบวากรสิบ นั้นเราย่อมรู้ทั่วถึงเนื้อความแห่งพระดำรัตที่พระผู้มีพระภาคตรัสโดยย่อนี้ได้โดยพิดารอย่างนี้ถ้าท่านทั้งหลายยังจำนงอยู่พึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วกราบทูลสอบถามเนื้อความนี้ดูเถิดพระผู้มีพระภาคจะทรงตอบแก่ท่านทั้งหลายอย่างใดท่านทั้งหลายพึงทรงจำเนื้อความนี้ไว้อย่างนั้นเถิดพวกบาสกชาวกระชังคละรับคาแล้ว ชื่นชมอนุโมทนาภาสิตของภิกษุณีชาวเมืองกระชังคละแล้วลุกจากอาสนะไหว้แล้วทำประทักศิล์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่สมควรกราบทูลถ้อยคําสนทนากับภิกษุณีชาวเมืองกระชังคละทั้งหมดนั้นแดพ่พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีละดีละข้าพดีทั้งหลาย ภิกษุณีชาวเมืองกระชังคละเป็นบัณฑิตมีปัญญามากถ้าท่านทั้งหลายมาถามเนื้อความนั้นกับเราแม้เราก็จะพึงตอบเนื้อความนี้เหมือนภิกษุณีชาวเมืองกระชังคละได้ตอบแล้วและเนื้อความของคํานั้นก็มีความหมายเช่นนี้แลขอท่านทั้งหลายพึงทรงจําเนื้อความนั้นไว้อย่างนี้เถิดทุติยมหาปัญหาสูตรที่8จบ พระธมโกศลสูตรว่าด้วยพระเจ้าปเปเสนธิโกศนสูตรที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายชนบทของชาวกาสีและโกสนประมาณเท่าใดแว่นแควนของพระเจ้าปเปเสนธิโกสนประมาณเท่าใดพระเจ้าประเสนทิโกสนอันประสกนิกรเรียกว่าเป็นผู้เลิศในชนบทของชาวกาสีและโกศนและแว่นแคว้นเหล่านั้นประมาณเท่านั้น ถึงกระนั้นพระเจ้าเปเสนธิโกรสนก็ยังมีความแปรมีความแปรผันไปได้อาริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อนายแม้ในสมบัตินั้นเมื่อเบื่อนายในสมบัตินั้นก็คลายกำหนัดในความเป็นพระราชาซึ่งเป็นเลิศไม่จําเป็นต้องพูดถึงสมบัติที่ด้อยกว่าภิกษุทั้งหลายดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ย่อมหมุนเวียนส่องทิศ ท, ทั้งหลายให้สว่างอยู่ในที่ประมาณเท่าใด สหัสธาโลกธาตุมีอยู่ในที่ประมาณเท่านั้นในสหัสธาโลกธาตุนั้นมีดวงจันทร์พันดวงมีดวงอาทิตย์พันดวงมีขุนเขาสิเนรุพันลูกมีชมพูทวีปพันมีอัประโคยานทวีปพันมีอุตรากุรุทวีปพันมีปุพพะวิเทหทวีปพันมีมหาสมุทรสี่พันมีท้ามหาราชสี่พัน มีเทวโลกชั้นจาตุมหาราชหนึ่งพันมีเทวโลกชั้นดาวดึงหนึ่งพันมีเทวโลกชั้นยามาหนึ่งพันมีเทวโลกชั้นดุสิตหนึ่งพันมีพรหมโลก 1, หนึ่งพันศสตาโลกธาตุประมาณเท่าใดท้าวมหาพรหมอันชาวโลกกล่าวว่าเป็นผู้เลิศในหัสถาโลกธาตุประมาณเท่านั้นถึงกระนั้น เท้ามหาพรหมก็ยังมีความแปรมีความแปรผันไปได้อริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อน่ายแม้ในสหสถาโล ก, กธาตุนั้นเมื่อเบื่อน่ายในสหสถาโล ก, กธาตุนั้นก็คลายกาหนัดในความเป็นเท้ามหาพรหมซึ่งเป็นเลิศไม่จําเป็นต้องพูดถึงภาวะที่ด้อยกว่าสมัยที่โลกนี้พินาศเมื่อโลกพินาศอยู่ สัตว์ทั้งหลายย่อมบังเกิดในพรหมโลกชั้นอภัสระโดยมากสัตว์เหล่านั้นเป็นผู้บังเกิดด้วยอำนาจฌานมีปีติเป็นภักษามีรัศมีในตัวเองเที่ยวไปในอากาศมีปกติดำรงอยู่ด้วยดีย่อมดำรงอยู่ในพรหมโลกชั้นอภัสระนั้นตลอดการช้านานเมื่อโลกพินาศอยู่อภัสระพรหมทั้งหลายอันชาวโลกกล่าวว่าเป็นผู้เลิศถึงกระนั้น อภัสราพรมทั้งหลายก็ยังมีความแปรมีความแปรผันไปได้อริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อนายแม้ในพรหมโลกชั้นอภาสรานั้นเมื่อเบื่อหนายในพรหมโลกชั้นอภาสรานั้นก็คลายกำหนัดในความเป็นอภัสราพรมซึ่งเป็นเลิศไม่จําเป็นต้องพูดถึงภาวะที่ด้อยกว่าบ่เกิดแห่งธรรมที่มีกสินเป็นอารมณ์10ประการภิกษุทั้งหลาย บอ่อเกิดแห่งธรรมที่มีกสินเป็นอารมณ์10ประการนี้บอ่อเกิดแห่งธรรมที่มีกสินเป็นอารมณ์10ประการอะไรบ้างคือ 1. บุคคลหนึ่งย่อมรู้ชัดปัทวีกสินเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางไม่มีสองไม่มีประมาณ 2. บุคคลหนึ่งย่อมรู้ชัดอาโปกสินและถึง 3. บุคคลหนึ่งย่อมรู้ชัดเตโชกสินสี่ บุคคลหนึ่งย่อมรู้ชัดวายโยกสินห้าบุคคลหนึ่งย่อมรู้ชัดนิลกสินหบุคคลหนึ่งย่อมรู้ชัดปีตากสินเจ็บุคคลหนึ่งย่อมรู้ชัดโลหิตากสินแปบุคคลหนึ่งย่อมรู้ชัดโอทาตากสินเบุคคลหนึ่งย่อมรู้ชัดอากาสากสินสิบ บุคคลหนึ่งย bon, ่อมรู้ชัดวิญญาณกสินเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางไม่มีสองไม่มีประมาณภิกสุทั้งหลายบ่อเกิดแห่งธรรมที่มีกสินเป็นอารมณ์10บประการนี้แหลบรรดาบ่อเกิดแห่งธรรมที่มีกสินเป็นอารมณ์10ประการนี้วิญญาณกสินเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางไม่มีสองไม่มีประมาณที่บุคคลหนึ่งรู้ชัดนี้เป็นเลิศ สัตว์ทั้งหลายแม้ผู้มีสัญญาอย่างนี้แลมีอยู่ถึงกระนั้นสัตว์ทั้งหลายผู้มีสัญญาอย่างนี้ก็ยังมีความแปรมีความแปรผันไปได้ภิกษุทั้งหลายอริยสาวพวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อน่ายแม้ในบอ่อเกิดแห่งกระสินนั้นเมื่อเบื่อนายในบอ่อเกิดแห่งกระสินนั้นก็คลายกำหนัดแม้ในวิญญาณกสินที่เลิศไม่จาเป็นต้องพูดถึงกระสินที่ด้อยกว่า อภิพายาน a n แปดประการภิกษุทั้งหลายอภิพายตน a n แปดประการนี้อภิพายา t a n t ประการอะไรบ้างคือ 1. บุคคลหนึ่งมีรูปสัญญาภายในเห็นรูปภายนอกขนาดเล็กมีสีสันดีหรือไม่ดีครอบงำรูปเหล่านั้นได้มีสัญญาอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็นนี้เป็นอภิพายตนะที่หนึ่งสอง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 เปรียบด้วยของเขียวมีสีเขียวเข้มเปรียบเหมือนดอกผักตบที่เขียวมีสีเขียวเปรียบด้วยของเขียวมีสีเขียวเข้มชั้นใดหรือเปรียบเหมือนผ้าเมืองพาราณสีอันมีเนื้อละเอียดทั้งสองด้านที่เขียวมีสีเขียวเปรียบด้วยของเขียวมีสีเขียวเข้มชั้นใดบุคคลหนึ่งมีอรูปสัญญาภายในก็ฉันนั้นเหมือนกัน เห็นรูปภายนอกที่เขียวมีสีเขียวเปรียบด้วยของเขียวมีสีเขียวเข้มครอบเมื่รูปเหล่านั้นได้มีสัญญาอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็นนี้เป็นอภิพายตนะที่ห 6. บุคคลหนึ่งมีรูปสัญญาภายในเห็นรูปภายนอกที่เหลืองมีสีเหลืองเปรียบด้วยของเหลืองมีสีเหลืองเข้ม เปรียบเหมือนดอกกัิกาที่เหลืองมีสีเหลืองเปรียบด้วยของเหลืองมีสีเหลืองเข้มฉันใดหรือเปรียบเหมือนผ้าเมืองพาราสีอันมีเนื้อละเอียดทั้งสองด้านที่เหลืองมีสีเหลืองเปรียบด้วยของเหลืองมีสีเหลืองเข้มฉันใดบุคคลหนึ่งมีรู ป, ปสัญญาภายในก็ฉันนั้นเหมือนกันเห็นรูปภายนอกที่เหลืองมีสีเหลืองเปรียบด้วยของเหลืองมีสีเหลืองเข้มครอบเมือมรูปเหล่านั้นได้ มีสัญญาอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็นนี้เป็นอภิพายตนะที่ห 7. บุคคลหนึ่งมีรูปสัญญาภายในเห็นรูปภายนอกที่แดงมีสีแดงเปรียบเรือกของแดงมีสีแดงเข้มเปรียบเหมือนดอกชบาที่แดงมีสีแดงเปรียบเลือกของแดงมีสีแดงเข้มหรือเปรียบเหมือนผ้าเมืองพราณสีอันมีเนื้อละเอียดทั้งสองด้านที่แดงมีสีแดง เปรียบด้วยของแดงมีสีแดงเข้มฉันใดบุคคลหนึ่งมีรูประสัญญาภายในก็ฉันนั้นเหมือนกันเห็นรูปภายนอกที่แดงมีสีแดงเปรียบด้วยของแดงมีสีแดงเข้มครอบเมือมรูปเหล่านั้นได้มีสัญญาอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็นนี้เป็นอภิพายตนะที่7 8. บุคคลหนึ่งมีรูปประสัญญาภายใน เห็นรูปภายนอกที่ขาวมีสีขาวเปรียบเลือกของขาวมีสีขาวเข้มเปรียบเหมือนดาวประกายพฤกที่ขาวมีสีขาวเปรียบเลือกของขาวมีสีขาวเข้มหรือเปรียบเหมือนผ้าเมืองพาราณสีอันมีเนื้อละเอียดทั้งสองด้านที่ขาวมีสีขาวเปรียบเลือกของขาวมีสีขาวเข้มฉันใดบุคคลหนึ่งมีรูปสัญญาภายในก็ฉันนั้นเหมือนกัน เห็นรูปภายนอกที่ขาวมีสีขาวเปรียบเรื่องของขาวมีสีขาวเข้มครอบเมือมรูปเหล่านั้นได้มีสัญญาอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็นนี้เป็นอภิพายตนะที่8ภิกุทุทั้งหลายอภิพายตนะแปประการนี้แหละิกษุทั้งหลายบรรดาอภิพายตนะ 8. ประการนี้ภนอภิพา ย, ต น, านายตนะที่8คือบุคคลหนึ่งมีรูปสัญญาภายใน เห็นรูปภายนอกที่ขาวมีสีขาวเปรีบยบเรือของขาวมีสีขาวเข้มครอบงำรูปเหล่านั้นได้มีสัญญาอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็นนี้เป็นเลิศสัตว์ทั้งหลายแม้ผู้มีสัญญาอย่างนี้แลก็มีอยู่ถึงกระนั้นสัตว์ทั้งหลายผู้มีสัญญาอย่างนี้ก็ยังมีความแปรมีความแปรผันไปได้อริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ ย่อมเบื่อหน่ายในอภิพายตนะนั้นเมื่อเบื่อหน่ายแม้ในอภิพายตนะนั้นก็คลายกำหนัดในอภิพายตนะซึ่งเป็นเลิศไม่จำเป็นต้องพูดถึงภาวะที่ด้อยกว่าปฏิปทาสี่ประการภิกษุทั้งหลายปฏิปทาสี่ประการนี้ปฏิปทาสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. ทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาปฏิบัติลำบากทั้งรู้ได้ช้า สทุกขาปฏิปทาขิปาภิญญาปฏิบัติลำบากแต่รู้ได้เร็ว 3. สุขาปฏิปทาทันทาภิญญาปฏิบัติสะดวกแต่รู้ได้ช้า 4. สุขาปฏิปทาขิปาภิญญาปฏิบัติสะดวกทั้งรู้ได้เร็วภิกษุทั้งหลายปฏิปทาสีประการนี้แหลบรรดาปฏิปทาสีประการนี้ สุขาปฏิปทาขิปปาพิญญานี้เป็นเลิศสัตว์ทั้งหลายผู้ปฏิบัติอย่างนี้แล้วก็มีอยู่ถึงกระนั้นสัตว์ทั้งหลายผู้ปฏิบัติอย่างนี้ก็ยังมีความแปรมีความแปรผันไปได้อริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อน่ายแม้ในปฏิปทานั้นเมื่อเบื่อนายในปฏิปทานั้นก็คลายกำนัดในปฏิปทาซึ่งเป็นเลิศไม่จาเป็นต้องพูดถึงภาวะที่ด้อยกว่า สัญญาสี่ประการภิษุทังหลายสัญญาสี่ประการนี้สัญญาสี่ประการอะไรบ้างคือหนึ่งบุคคลหนึ่งย่อมรู้ชัดปริตารม 2. บุคคลหนึ่งย่อมรู้ชัดมหคตารม 3. บุคคลหนึ่งย่อมรู้ชัดอปมานารม 4. บุคคลหนึ่งย่อมรู้ชัดอากินจัญญายตนะฌานว่าไม่มีอะไร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 เมื่อเบื่อนานในสัญญานั้นก็คลายกำหนัดแม้ในสัญญาซึ่งเป็นเลิศไม่จำเป็นต้องพูดถึงภาวะที่ด้อยกว่าบรรดาวาทะนอกศาสนาวาทะว่าถ้าเราจักไม่ได้มีแล้วอัตภาพนี้ก็ไม่พึงมีแก่เราถ้าเราจักไม่มีความกังวลอะไรจักไม่มีแก่เรานี้เป็นเลิศบุคคลผู้มีวาทะอย่างนี้พึงหวังข้อนี้ได้ว่า ความที่ใจไม่ชอบในพบจะไม่มีแก่เขาและความที่ใจชอบในความดับพบจะไม่มีแก่เขาสัตว์ทั้งหลายแม้ผู้มีวาทะอย่างนี้แลก็มีอยู่ถึงกระนั้นสัตว์ทั้งหลายผู้มีวาทะอย่างนี้ก็ยังมีความแปร ى, มีความแปรผันไปได้อริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหนายแมในวาทะนั้นเมื่อเบื่อนายในวาทะนั้นก็คลายกำหนัดในวาทะซึ่งเป็นเลิศ ไม่จำเป็นต้องพูดถึงภาวะที่ด้อยกว่าสมณะพราหมณ์ึ้กหนึ่งบัญญัติความหมดจดในสัตว์ชั้นสูงสุดมีอยู่บุคคลผู้ที่ล่วงอากินจัญญาญาณะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุเนวสัญญานาสัญญาญาณะฌานนี้เลิศ ก, กว่าสมณะพราหมู้บัญญัติความหมดจดในสัตว์ชั้นสูงสุดสมณะพราหม์เหล่านั้นรู้ยิ่งแล้วซึ่งเนวสัญญานาสัญญาญาณฌานนั้น ย่อมแสดงธรรมเพื่อทําให้แจ้งซึ่งเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานนั้นสัตว์ทั้งหลายแม้ผู้มีวาทะอย่างนี้แลก็มีอยู่ถึงกรณ์นั้นสัตว์ทั้งหลายผู้มีวาทะอย่างนี้ก็ยังมีความแปร ى, มีความแปรผันไปได้อริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานนั้นเมื่อเบื่อหน่ายในเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานนั้น ก็คลายกำหนัดในเนวสัญญานาสัญญายตนชาญซึ่งเป็นเลิศไม่จำเป็นต้องพูดถึงภาวะที่ด้อยกวา่าภิกษุทั้งหลายสมณะพราหมพูพวกหนึ่งบัญญัตินิพพานอันยอดยิ่งในปัจจุบันมีอยู่ความหลุดพ้นแห่งจิตเพราะไม่ถือมั่นเพราะรู้ความเกิดความดับคุณโทษและอุบายเครื่องสลัดภาษายตนหประการตามความเป็นจริง นี้เลิศ ก, กว่าสมณพราหมณ์ผู้บัญญัตินิพพานอันยอดยิ่งในปัจจุบันสมณพราหมณ์พวกหนึ่งย่อมกล่าวตู่เราผู้มีวาทะอย่างนี้ผู้กล่าวอย่างนี้ด้วยคําไม่จริงคําเปล่าคําเ ท, ท็จคําไม่เป็นจริงว่าพระสมณโคดมไม่บัญญัติการกําหนดรู้กาม ร, รูปและเวทนาทั้งหลายภิกษุทั้งหลายเราบัญญัติการกําหนดรู้กาม ร, รูปและเวทนาทั้งหลาย เป็นผู้ปราศจากตัณหาและมิจฉาทิฐิแล้วดับแล้วเยือกเย็นแล้วจึงบัญญัติอนุปาทาปรินิพานในปัจจุบันปฐมโกศลสูตรที่9จบ